18. ความเป็นกลางคือกระทบแล้วไม่ได้เกลียดมันความเป็นกลางไม่ใช่กระทบแล้วไม่ไหวนะกระทบแล้วมันก็ไหวไปกระเทือนไปเราไม่ได้เกลียดที่มันไหวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นกลางไม่ใช่ว่ากระทบแล้วไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นจิตกระทบอารมณ์เช่นเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะแค่นี้ใช้ได้แล้วไม่ใช่ดูอย่างไรจะไม่เกิดราคะอันนั้นแทรกแซงแล้ว